กราบสวัสดีทุกท่านและฟังรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบทุนทุกท่านครับวันนี้รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบทุมจะเป็นรายการสดครับโดยมีกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติภูมิมีประดิษฐ์ผู้เป็นการสนับสนุนวิชาการศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยสิบทุนเป็นผู้ดำเนินรายการครับวันนี้ทางรายการกาพย์พัฒนาประเทศเปิดประเด็นพระคุณพระเทพยิ่งหลกวัดบางวันเรืวิหารเป็นวิเราะห์ต่อปัญหาครับมาได้โทรศัพท์ของทางรายการเช่นเคยนะครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งห้าศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ ขณะนี้กำลังรอทุกสายเพื่อสอบถามปัญหาธรรมะเข้ามานะครับเช่นเคยนะครับขอข้อคําถามต้องไม่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับคนที่3ครับเพราะสถานีวิที่เราจัดรายการแห่งนี้เป็นสถานีิทยุของทางราชการครับท่านเจ้าคุณดจ์ครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาครับวันอาสาฬบูชามีความสาคัญต่อชาวเราชาวพุทธบ้างอย่า ง, อ ย, างอย่างไรบ้างครับท่านดิจาร์ครับ ก็ถือว่าเป็นวันที่พระรัตนตรัยเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์นะครับคือพระพุทธเจ้ากับพระธรรมเนี่ยเรียกมามาพร้อมกันแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ยังไม่ได้เทศสั่งสอนอะไรครับเป็นการสอนครั้งแรกแล้วก็จบพระธรรมเทศนาท่า น, น, นากลตัญญาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วขอบวชก็ถือว่าเป็นวันพระรัตนตรัยเกิดครบบริบูรณ์ครั บ, รบก็เป็นการประลักกันเมื่อปศส่องพันหารอยหนึ่ง โดยเจ้าคุณธรรมโกษาชอบอนุจารีวัตรบำรุงครับเป็นสังคมตรีช่วยวาการช่วยวาการองค์การศึกษานะเสนอเราเดิมทํากันมาแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่ครับอาจจะเป็นพระฤดูฝนเราอาจจะเป็นเพราะใกล้เข้าพรรษาก็ได้แต่ก็สรุปว่ายังไม่ค่อยติดเท่าไหร่อ่ะมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะจริงๆมันก็ผ่านมาแค่ เท่าไรอะสี่สิบแปดปีแปีครับแรผมคุณครับสายแรกมารออยู่ครับสวัสดีเจ้าากานครับอาจารย์รายการไ้อารอการเเับครับถ้าเขาถามปัญหาอรือเรื่องตอนนี้เขาการศึกษนเครับเอแล้วลคนหีวิทยุนิดนึงนะครับครับผมเชิญสอบถามได้เลยครับกาบนิมมครับท่านครับคือเขากามที่ ก็จะมาไปตอนการโรงเรียนเนี่ยครูก็บอกว่าพอเชิญนะจ้าพันจุดเทียงทูดครับแล้วแต่ก่อนเราใช้คาว่าทุ่ขี่เทียนกับครับแต่การปฏิบัติี่คือเราต้อจุดเทียนก่อนครับผมจุดทุกที่แลครับทีนี้ถ้าเป็นการจุดเทียนทูดคนเรือว่าจุดเทียงคูดก็มาคตามว่าพระธรรมาก่อนพระศาสนาหรือ ไฟเพื่อหชาติพืชสู้ครับครับแต่แต่เรข่อนให้ได้ครับเป็นพี่แก้วนะครับครับครับนักการนะครับท่านครับอ่าคือโดยหลักนั้นเขาก็จุดเทียนก่อนนะฮะแล้วจุดเทียนเสร็จแล้วก็จุดทูบทีหลังก็เรื่องการตีความจุดทูปบูชาย่างงั้นถ้าเทียนบูชาย่างงั้นแต่ดอกไม้บูชาย่างงั้นมันเป็นเรื่องตีความกันตีหลังนั่นแหะครับ แต่ก็สิ่งเหล่านี้ที่จริงมันเพิ่งเกิดทีหลังอโอ้ไม่งั้นใครจะทํำยังไงมันก็ไม่มีคําว่าผิดหรอกเพราะมันไม่มีมาตรวัดไว้ยังไงคือ <c oughs> ผิดคือถูกมันเจตนาเนี่เป็นเรื่องสาคัญครับ <c oughs> ในรูปแบบเฉยๆคือใครก็าถนัดอยู่ตรงไหนก็เรื่องของเขา <c oughs> แต่ว่าจริงๆโดยหลักเนี่ย ท, ที่คือจะลอกเรียนอของสํานักพระราชวังมา ของกครงการพัฒนาเลยเขาจะก็จะก็จะพยายามปรับข้อหากันเพราะฉะั้นถ้าเราถือรูปแบบของราชวังที่สืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณเนี่ยมันก็ควรจะจุดเทียงก่อนครับอคําว่าจุดเทียนทูบเนี่ยทูบเทียนเนี่ยมันมันเป็นภาษาปากที่เราพูดเราไม้ทูบเทียนดอกไม้ทูบเทียนฟ่านขอบคุณครับสาธิษฐ์022413315นะครับ สอบถามปัญหาธรรมะประเด็บคุณเข้ามาได้นะครับมีแฟนรายการสอบถามมาพระเดบคุณครับทางจดหมายสอบถามมาที่มหาวิทยาลัยถามว่าอยากจะฟังท่านทุกอาจารย์บรรยายหน่อยนะครับคำว่าอนิจจังทุขังอนัตตาสั้นๆง่ายๆแตุไมสอนลูกหลานจะสอนยังไงครับเกี่ยวเรื่องไตรลักษณ์ครับท่านทุกอาจารย์ครับอนิจจังก็คือมันไม่เที่ยงอ่ะก็ดูดูมันไม่นิ่งมันไม่อยู่กับชี้เช่นว่าเราตักแกงมาร้อนๆมันก็เย็นนะฮะไอศครีมตักมาเย็นๆมันก็รอมันก็ละลายนะฮะมันก็ไม่เที่ยงมันมีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรนิ่ มันไหลอยู่ตลอดไฟก็เหมือนกันมันไม่นิ่งเพราะฉันก็ดูทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันมีอะไรที่อยู่นิ่งนิ่งบ้างมันไม่มีอะไรนิ่งสักอย่างหนึ่งครับ่นเช่นเช่นว่าผ้าเสื้อผ้าที่เราซักสะอาดแล้วเอาไม่กี่วันก็สกปรกอีกแล้วะพื้นเราปัดกวาดเรียบร้อยแล้วเอาไปเดี๋ยวก็สกปรกอีกแล้วอันนี้มันก็คืแสดงว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงแต่ก็เป็นการดำรงอยู่ได้เพียงชั่วงขณะหนึ่งขนาดหนึ่งนั้นเอง แล้วก็ดำรงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนะฮะมันคล้ายๆกับกระแสน้ําไหลนี่เรากระโดด เ, เราสมมติเราก้อนอิดปลาเนี่ยนะฮะลงไปในกระแสน้ําตรงนั้นสมมติเราปลาแม่นเนี่ยมันก็ปลาไม่ถูกอ่ะครั้งที่2มันน้ํำมาเลยแหละใช่ครับอ่ก็เวเป็นเวลาใหม่เป็นอิฐใหม่เป็นน้ําใหม่ที่ถูกอ่ะ อย่างนั้นเห็นนะมันทุกทุกอย่างเป็นเป็นทุกข์ก็เหมือนกันนะสิ่งต่งางๆนี่มันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยต่างๆครับแล้วก็จะมีการแผดเผาแล้วก็ก่อให้เกิดความร้อนร้อนด้วยประการต่างๆเห็นไม่สบายกายไม่สบายใจก็นี่ก็กรสรุปว่าเป็นทุกข์เกิด ก, ก็ดูเฉพาะที่ เ, เป็นทุกขเวญธนาเสียก่อนนะฮะอนัตตาเนี่ยมันมีหลายความหมายคือหนึ่งเนี่ย มันมันก็การเกาะกลุ่มกันนั่นแหละแต่ว่าเราบงการอะไรไม่ได้รถไม่ไม่ให้ผงหอกฟันหักหนังเขียวอะไรต่อะไรเรา <ทำ S 2> สั่งการไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็พอเอากวาจริงเราไม่เป็นเจ้าของอะไรสักอย่างหนึ่งเรามาเราไม่มีอะไรมาเราก็ไปเราก็ไม่มีอะไรไปรเรามายัางไงเราก็ไปอย่างนั้นใช่ไหม แสดงว่าสิ่งทั้งหลายที่เราคิดว่าเป็นของเรามันไม่ใช่ของเราอ่ะมันเป็นสมบัติที่ติดโลกแล้วแม้แต่โลกเองมันก็ไม่รู้สึกว่าเป็นของมันเพราะโลกมันคิดไม่เป็นน่ะมันก็เป็นเป็นกระบวนการธรรมชาติธรรมดาเท่านั้นเองแล้วพอย่อยวันี้พอย่อยไปมันมันก็หาอะไรไม่ได้คือมันสูญไปเลยนะเช่นเช่นอณูเป็นอนูเป็นปรมาณูแล้วก็ถ่ายไปเลยนะก็เป็นวิถีธรรมชาติที่มันเห็นอยู่ทุกขณะ ครับดูจ่าอะไรก็ได้ ด, ดูนั่งมานั่งนั่งดนนนนนูน้ำน้ำน้ำชาถ้วยก็ได้นั่งดูอะไรก็ได้ไดอ้ส ก, กรีนเนี่ยคือเราเห็นว่าที่จริงเรารู้มานะ่ะเอารีบกินเทียบไปเดี๋ยวจะเยน็นเอารีบกินเดี๋ยวจะละลายเอารีบไปเดี๋ยวจะไม่ทันเลยนะฮะมัน<ช>มั<ช>มนนก<ม>็นั่นก็คือความไม่เที่ยงแต่ไม่เที่ยงเวลาแล้วว่ารีไม่ได้มีจะคอยใครเรือเมลหรถไฟก็จะไปตามเวลาโอเอหรืออาจจะไม่สมปรารถนาชวดแล้วจะโศกานิจรย์ชาไปอันนี้กินนิจังทุกอย่างนะรับ เดี๋ยวนะ่ะที่จริงเราที่จริงเราก็อยู่กับมันนะเราก็พูดกับมันอยู่ตลอดก็เราะฉะนั้นคนเราก็ต้องตั้งอยู่นกนความไม่กับมันจากผงสายที่สามมาเล ย, อยครับสวัสดีครับ alo คุณตามสองพันเจอเลยครับคือข้อหนึ่งพระอรหันต์แบบสุก ข, ขาปิปัสโกเนี่ยท่านสา ม, มารถทำอภินยาหกได้นะครับในชาตินั้นนะครับปฏิสามิทายานสี่เนี่ยก็ข้อหนึ่งนะครับข้อสองอภินญาใหญ่แบบวาพระนางพิมพาเนี่ยมัา อาิญญาใหญ่นี่หมายถึงไงารอาพิญญาของมาผมอาจารย์ครับอาจจะใช่นะครับมาอาิญญาใหญ่ครับใช่ครับสองข้อคือคือสุขาวิปัสกโกนี้ท่านท่านเป็นการสําเร็จมาจากเจริญในปริศนาล้วนๆไม่ได้ผ่านกระบวนการของสมถะมาผู้นั้นมันเกิดมาจากผลของสมถะเพื่อพิญญาเนี่ยเพอันกิเลสทั้งก็หมดก็ดับกิเลสเหมือนกันแต่ว่า ทั้งก็ไม่ทำไม่ทำพิญญาอภพินยาเป็นผลปล่อยได้เฉยๆเนี่ยผลปยได้เฉยท่านเป็นพระหันแล้วจะไปเอาทําอะไรอ่ะพิญยาแล้วก็มหาพิญญาเนี่ยที่จริงมันมีหลายรูปนะพระมหาโกธิตะพระเอเนี่ยพระถากัจจนาพระนางพิมพาเนี่ยพระมาสาริบุตรพระโมคขาลานะอะไรพวกนี้พวกมหาพิญยาคือหมายความมหาพิญญาหกนั่นแหละแต่มันมีความเข้มข้นมีประสิทธทิภาพหมดทุกอย่าง เหนือกว่าคนอื่นนะทําได้รวดเร็วกว่าคนหมื่นฉอบไปกว่าคนอื่นก็เรียกามาหาปัญญาแต่ว่าที่จริงมันก็มีแค่หกตันเองแหละปัญญาเนะี่ยปัญญามันก็มีแค่แค่หกอสาาวรรคอย่างนี้อย่างอย่างสุาาวรรณสวรขยานอย่างเงี้ยท่านท่านท่านก็หมดไปลึกซึ้งกว่าคนอื่นครับ หรือว่าการจะรู้ใจคนนม า, ารู้ได้เร็วกว่าได้แต่ละนี้ต่างๆเนี่ย ค, คือคือสรุปว่าไปเป็นมหาพัญญามันเกิดจากบารมีภูมิหลังของท่านเหล่านี้ท่านสร้างบรารมีมาก่อนคนอื่นครับคนอื่นจะเริ่มที่นพระเจ้าสุปนามว่าปฐุมุตระแต่ท่านเหล่านี้จะจะทำมาก่อนนั้นนั้นครับเพราะงั้นก็ก็เหมือพระพุทธเจ้าพระพุทธก่อนท่านเหล่านี้เพราะนั้นอภิญญางพระเจ้าก็เห น, น, น, เหออนเหือกว่าใครทั้งหมดครับผมนั้นมันเป็นเรื่องภูมิหลังของท่านเหล่านั้นที่ต่างกันครับผม ครับขอบคุณครับท่านเงื่อจากคับสายต่อไปครับมารออยู่ครับสวัสดีครับแฟ้รายการครับสวัสดีครับขอกล่าวตัวการหลวงพ่อธัญญคุณและสวัสดีผู้ร่รายการขอรบกวนถามวัดทดาวัดเท้าวทาวัดเยน็นและปวดน้ําอีมีนาเนี่ยอยากทราบว่าใครเป็นผู้แต่งครับ อครับคกนะครับครับผมขอบพระคุณมากนะครั บ, คร บ, บคนครับสวดดีครับคือว่าการ น, นำคันจริงเนี่ยมันไม่จะแต่งทั้งหมดนะฮะเป็นการรวบรวมเรียบเรียงแต่ว่าส่วนส่วนที่แต่งก็คือพระบาทสมิด็จระจอมเกล้าจะอยู่หัวแต่ก็จะเห็นว่าอิทิพิโสสวัคโตสุปฏิปโนก็มีแล้วนะฮะทั้งขึ้นโยโส ปากว่าทั้งสมาธิบนโทรเีก็ตั้งก็ขึ้นหัวขึ้นท้ายใช่แล้วก็สวดน้ำมีแม่กรวดน้ำมีมีนาเนี่มันเป็นเรื่องชีหลังคือเข้าใจว่าคงจะอยู่แถวแถวทางทางภาคเหนือนะฮะเพราะว่าลักษณะความเชื่อเนี่ยมั น, ม, นมันเป็นนับถือธรรมชาติด้วยกรวดน้ำให้พระอินทรพรมเกิดให้แม่พระโทรณีอะไรต่างต่างเนี่ย เอามา ย, ย, ยังยังยังไม่เคยกรวดเลยคือดมาไม่เชื่อมันเป็นความเชื่อของพรามหม์เราเห็นชัดเจนของพราหม์คือของพุทธเจ้าเนี่ท่านว่านิเดียเอง่งอีดังโมยาตินาโหตูสุกิดาโฮตุยาตโยครับว่ามันไปกรวดอะไรให้พระจันทร์พระอาทิตย์ให้ดวงดาวอะไรต่างๆมันมันแสดงว่าเป็นลัทธิเป็นลักษณะที่เป็นอิทธิพลของพราหมณ์ครับแคนแต่งจะต้องมีพื้นฐานความเชื่อของพราหมณ์หรือว่านับถือพรธรรมชาติอยู่เราไปอ่านด้วยฮะ ค, ค, คือคือเราจะเห็นว่า คือคือการไหลมาของาศาสนาเนี่ยมันปน ป, นปนกันอย่างที่คือยกตัวอย่างว่าเหมือนกับ น, น้ําไหลมาเนี่ยจากปิงวังยมน่านเนี่ยมันก็ชะล้างอะไรอะไรมาเยอะกว่าจะมาถึงปากน้ําโพเนี่ยก็น้ํามันก็เปลี่ยนสีไปเยอะๆแต่ลักษณะอย่างนั้นาศาสนาเราก็ต้อ ง, ต, องต้องมองเอาแล้วก็ถ้าเรามองดูถึงว่าบทยถ า, ากับทบทกดน้ําเนี่ยที่ยึมคุณสัมพันธ์กันครัยะถาตรงสั้นนิดเดียวสองสามบรรทัดแต่มาเพราะงั้น เออกรดน้ํามันก็ไม่ควรจะยาวเกินไปเพราะถ้ายาวแล้วตอนพระให้พรน่ยยังอยั ง, อยงนั่งกรดน้ำอยี่เลยอพอสักพีนี่มันต้องเริ่มรับพอ่อนนะฮะพอสักพีในองค์ที่สองสักพีนี่ต้องเริ่มรับพอ่อนอันกรดน้ํำมีวนาเป็นเป็นความเชื่อบนพราหมณ์เยอะมากอ่านฟแต่ว่าคนแต่งไม่รู้นะฮะมันเป็นเรื่องโบราณครับขอบคุณท่านที่ควรจานครับสายต่อไปสายที่สี่ครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับเชิญสอบถามได้เลยครับอ เรื่ององเด็กโอ้วันรัชกาลการเกิดขึ้เครับวันกาท่านพูดดังๆนิดหนึ่งนะครับพอดีสายค่อยมากเลยครับใช่ครับผมเอออัตมาเปยเป็นโเขโตครับทาครับอตมาจะแขนข้าวเย็นด้วยจนตัวจะเป็นอบัติจะเป็นเรื่ครับอ๋อเพราะว่าตอนนี้ป่วยอยู่นะครับท่านครับจ้าครับผมเอ่อท่านท่าน่านท่านกลัวว่าจะเกิดอาบัติใช่ไหมครับ ใช่ครับผมท่านจะรับฟังทางวิทยุนะครับท่านครับใช่ใครับผมกลับนักสการ์ทท่านครับคือคืออาบัตพวกปัจจิตีพวกนี้ไม่ไม่ยกเว้นทั้หมดพิสูจน์ไข่นะครับพวกนี้มันอยู่พวกปัจจิตีเอ่อถ้าถ้าจะยกเว้นมันก็ยกเว้นในแถวโน้นะแถวแถวของเรียกว่าเทศนาปฏิสังยุตพวกเสกขจรวัตรนะฮะมีอยู่สิบหกข้อเดี๋ยวก็ยกเว้นในภิกษุน์ไขเอล้ก็ ที่จริงเราก็ฉันพวกกับน้ําปานะอะไรอะไรก็ได้นะฮะแล้วก็เมื่อเราบวชตั้งใจบวชมาแล้วไม่ไม่ต้องไปสนใจมันอกก็ถึงยังไงไงมันก็ชีวิตมันต้องแตกดับไปแต่เห็นว่าจะรักษาชีวิตเอาไว้จะแล้วก็ไปละเมิดพระวินัยมันก็มันก็ลําบากกันนะคือก็ถ้าลําบากนั่นก็สึกเสียัย่ารักษาหายแล้วค่อยว่ากันใหม่เพื่อให้เป็นพระก็ให้ดีเป็นคราบว่าก็ให้ดีอ่นะฮะ ครับขอบคุณท่านแต่ว่าจะเป็นเป็นเป็นท่าแล้วจะใช้วิธีชีวิตแบบคราวญามันก็ไม่ไม่สมควรนั่นนะครับครับขอบคุณท่านผู้ชมครับสายต่อไปสายที่5้าครับสวัสดีครับแฟนรายการครับน้ำมันสการพระเดชสกุลหลวงพ่อหนังสือพิมพ์อย่างคมทะลึกหน้าสาสองวันนี้มันลงว่าวิธีองจัดพระนอกเพศเนี่ยรายการเนี่ยมีแต่ เรื่องพระเลวท uh, <|no|>> uh, ั้งนั <t <t <t ้นมาลงเลยพระดีนม่ยอมลงเลมันมันเกิดอะไรยังไงพระเดชทกคุณหลวงพ่อช่วยอธิบายให้หน่อยครับมันตันครับพวกนี้มันเป็นคนแปลกนะฮะพวกไอทีวีพวกไอเครืเนชั่นของสุทธิชายยุนนะฮะพวกของคุณอริสรยุทธพวกเนี้นะก็จะชอบเล่นเรื่องพระอย่างนี้เราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยพระที่ที่เลวไม่มีก็ไปขุดน้นบุญเพ่งหีบเหล็กสมัยการที่สามนัมาเล่นย้อนรอย อ่คือคือการใช้คำมันก็แย่แล้วนะฮะบ่พระที่จับได้ปรากฏเป็นพระปลอมนครับเมื่อพระปรอมมันไม่ใช่พระถึงจ้ากับพระได้ยังไงแล้วเอ่อคนเหล่านี้เราเราที่จริงน่าศึกษาภูมิหลังทั้งนั้นเลยนะว่าทำไมว่าไอทีวีเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นเทวีเสรีแล้วก็ชอบขุดคุยเรื่องพระแล้วก็พระไม่ดีทั้งนั้นครับทำไมบ้านเมืองไม่ช่วยดูแลบ้าง แล้วพอพิสูจน์แล้วปรากฏว่าเป็นพระปลอมหรือแม้แต่ไม่ใช่ปลอมก็ก็ตามเถอะแต่ว่าคนในสังคมเนี่ยที่ปลอมบวชมาคื อ, คอสรุปว่ามีอะไรก็ตามเมื่อมีสิ่งดีมากๆจะต้องมีสิ่งปลอมครับไม่ไม่ว่าอะไรก็ตามตั้งแต่โลกมีมนุษย์มานะฮะเพราะนั้นเมื่อมีพระเป็นที่เคารพ น, นับถือบางคนว่ามันก็มีพวกหนึ่งที่ใช้รูปแบบของพระครับเพื่อแสวงหาประโยชน์ของตัวเขา นะเราก็ต้องแยกให้ออกว่าคนเหล่านั้นเจตนาเขาไม่เป็นพระมาแต่ต้นเขาก็ไม่เป็นพระจริงๆครับบางทีก็ปลอมบวชนะชัดเจนก็ปลอมบวชเยอะมากเว้ยเนี้ยเอ่อหนังสือพิมพ์กรมชัดลึกที่ผมก็ไม่ได้อ่านเนาะหนังสือพิมพ์พวกนี้คือมันมันไม่ค่อยมีราคาที่จะอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเปลืองตะตางาเปล่าอด่าเวลา ค, ค, คือไม่เคยอ่านเลยเลยเลยไม่เงียบไม่รูปเรื่องเลย คือเราเราฟังแนวของแนวคิดของคนพวกนี้ยมันมันคล้ายๆกับตัวมีสิทธิ์ที่จะประกาศสิทธิ์ใครชี้ใครให้ดีให้ไอ้ขาวให้ดําได้ครับมันไม่ใช่วิธีการของสื่อสารมวลชนที่มีความรับผิดชอบต่อสินธรรมอันดีของสังคมคือข่าวก็คือข่าวความเห็นก็คือความเห็นแต่ความเห็นนั้นคุณต้องรับผิดชอบว่าคุณพูดคำว่าพระเลวเนี่ยหมายความมาย่างไงครับเอาแหละ พระคือคนคนหนึ่งที่เกิดในสังคมไทยเนี่ยเขารักษาศีลสองรอยเจ็ดข้อสมมติแล้วเขจะผิดสีลห้าข้อเนี่ยเขาก็ยังเหลือตั้งสองร้กว <2 S 1> ่าจะคุณห้าร้อยห้าข้อเนี่คุณรักษาได้หรือเปล่าก็คื อ, ค, อคือมันต้องคุยกัน น, นะนะฮะมาเคยเคยพูดกับบรรณาธิการนหนึ่งที่เขียนภาพล้อเลียนพระแกไปหาดุจติก็คุยกันถามว่าคุณอยายุเท่าไหร่สามสิบห้าจบอะไรจบปีไหนตีคุณรู้หรือเปล่าพระพระองค์เนี้ยที่คุณว่าเนี่ยจบปอนสี่ั้นเด็ก แต่แกรักษาศีลมาได้ทั้ง207ข้อตั้งนานนะ<ม>หลายปีตั้งแต่เป็นเนนมาเลยแล้วคุณศีลห้าคุณยังรักษาไม่ได้แล้วคุณก็ไปซ้าเติมคุณรุ่นน้องของคุณน่ะคนรุ่นน้องของคุณเนยเกิดในแผ่นดินเดียวกันเนี่ยครับที่เขารักษาได้ทําไมคุณไม่ยกย่องเขาพอเขาพลาดเขาพลาดของเขาว่าเขาต้องอบัับของเขาก็าบาปของเขาอ่ะทําไมคุณต้องไปกระทืบเขาแล้วกระทืบพลาทั้งหมดเลยใช่ครับนะนี่เนี่ยยกสัญชาสัญญาอะไร สองมิ้วเอเนี้ยครับก็ไม่พบกระดีกเลยครับผมครัขอบขอบคุณท่านผู้จ่ายกับสายที่หกครับผมสวัสดีครับแฟนรายการครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสอบถามได้เลยครับอ๋อค่ะอาจารย์ครับครับอยากจะเรียนถามหลวงโพ่อหน่อยครับว่าเอก่อนเข้าปัญหาเนี่ยเดี๋ยวว่ามีคนมาทำบุญที่วัดเยอะเลยแล้วก็ แต่ที่มองเห็นเน่ะคือแบบว่าบางทีเจ้าอาวาสเนี่ยไม่อยู่แล้วก็พระรู้สึกไปรับแทนแต่พระรู้สึกอะมีสุทธิในครั้งที่ว่าเดบรับเงินค่าถวายเทียนแล้วรับเอาเป็นส่วนตัวแล้วส่วนเทียนก็เอาไปเก็บไว้ในส่วนตัวนในบุตรไม่ทราว่าผิดไรืเปล่าแล้วก็อีกข้อหนึงค่ะคือบบว่าไม่สบายใจมากเลยค่ะแบบว่าเห็นข่าวพระที่ลงข่าวทัวร์พักนั่งนึกถึง ท, ที่อยากแต<บ>่ว่าพวกตื่นเนี่ย เ บ, บ า, เาๆพังพางมากเพราะว่ามันน่าดูดหนา้าดุดคุณแค่คุณลงครั้งเดียวก็พอแล้วไม่ไปลงอะไรจะนักหนานี่ออกทุกวน <ST U K> ั น, น เ, าาเลยนะครับไม่เบ้นตลอดวันเลยนะครับมันดูแล้วมันไม่สบายใจเยคุูแล้วห<ล>ัวหวดนะครับเดี๋ยวแล้ัวปวดนะครับเรี๋กวมันจดใจมันหัวปุขอบคุณมากเลยนะครับคืบอเราไม่รู้รายละเอียด น, น, น, นะเรื่องการถวายเนี่ย บางทีเขาถวายแบบสังฆทานถวายเป็นการส่วนตัวก็ได้เราคือเราเราเราจะต้องพยายามหาข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่านั้นแต่ถ้าเขาถวายในนามวัดพระก็ต้องเก็บไปให้วัดนั่นแหละครับร ก, บก็ก็เอาไปใช้เป็นการส่วนตัวไม่ได้หรอกทีนี้ข่าวหนังสือพิมพ์ก็อย่างที่ว่าเนี่ยคือเราต้องนึกจริงๆว่าสมัยยันตระในเ้าลงช่วงสองปีกว่าเห็นไหมเรื่องพระองค์องเดียวแล้วก็ไม่ได้ผ่านกระบวนการวินิจฉัยอะไรตามขั้นตอนอะไรต่ออะไรเราตัดสินแล้วหนังสือพิมพ์ก็ตัดสินแล้วเนี่ย ติดไปทั้นงนานแล้วลองพูดอย่างอื่นเนี่ยมันผิดหมดเลยครับวันใครที่ที่ที่ที่ที่ไปพยายามอธิบายโดยเหตุดยผลโดยกฎเกณฑ์โดยโดยพระพยายมวินัย น, นี่ถือว่าเข้าข้างหมดเป็นคนเลวหมดบรรดาหมดเลยแสดงว่ามันก็จงใจอย่างเนี้ยครับจงใจที่จะทําลายเรา ล, ลองนึกดูว่าสมัยนิกรก็เหมือนกันครับ แล้วก็สมัยเจีย๊ยบนะฮะสมัยภาวนาสมัยยันตรานี่ก็ทอนไรกี่ปีมาแล้วก็มีสามสามสี่คาก็เล่นอยู่งนะั้นน่ะก็ยกไปอย่างกลับไปก็มางนะั้นน่ะยันตาก็เอามาบ่อยไอไอไทีวีเนี่ยย้อนรอยเนี่ยเอามาบ่อยเนี่ยมันมันมันมันเป็นมาว่าคนเหล่านี้ยมันมีวิหิงสาวิตกอยู่ภายในใจมาเคยไปบรรยายอบรมคณะนิเทศศาสตร์ที่จุฬาเรออาอธิบายหลักการของการสื่อสารเนี่ย ตอนนี้อวบาตปริโมกเนี่ ย, มยไม่กล่าวร้ายไม่ทําลายอนุประวาตโทอนุประค่าตัวคือไม่กล่าวร้ายไม่ทําลายคนต้องคุณต้องนําเส น, เนอว่าผู้ฟังได้รับประโยชน์อะไรไม่ใช่คุณไปคิดว่าอะไรคือน่าสนใจครับแต่น่าสนใจมันก็เป็นสิ่งที่เป็นพิษอะ่ะแล้วสังคมไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดใช้สื่อสร้างสารรนี่สื่อจะเป็นประโยชน์มาศารมากแต่ถ้าสื่อทําลายแล้วก็นี้อย่างที่โยมว่านี่ก็ถูกต้องแต่ว่าใครจะพูดคนเหล่านั้นได้หรอพูดไม่ได้ฮะ พูกระนาแล้วพูดไม่ได้หรอกเขาก็มีข้อหรือว่าเป็นสิทธิคือเคลื่ อ, อามาว่าอ้างสิทธิจนเละแม้แต่สิทธิจะไปชุมนุมประท้วงโดยสงบเนี่ยไปชุมนุมประท้วงที่ไหนสงบ <c oughs> มันมีที่ไหนเราไปชุมนุมโดยสงบอะ่ะ <c oughs> เห็นไหฮะเรายอมตํำ น, นกับคนไม่กี่คนเนี่ยมันมีที่ไหนชุมนุมโดยสงบถนนการจราจรติดหมดเลยเก <c oughs> ิดเดือดร้อนเสียงเสริงคนอยู่ในบริเวณนั้นไม่ต้องทํามากินอะไรกัน ข้าราชการที่กพอพเนี่ยไม่ไม่ไม่ต้องทํางานเน่ยเสียงไมโครโฟนเข้าไปสงบยิงเหรอเปมันก็ผิดแล้วครับแล้วทีนี้เราอาศัยพยาคติคือเรากลัวคนไม่กี่คนน่ะแล้วยอมจํานวนคนเหล่านี้เขาทำํำเราถือถือถูกหมดโอ้สมาพันธ์อะไรแต่อะไรก็ตั้งชื่อสมาพันธ์อะไรก็มีอยู่ห้าคนกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วท่านนั่นอับนนีมน้มันมาว่าสังคมเราเนี่ยยอมจํานวนมากเกินไปอ่อนแอมากเกินไป แล้วก็ใช้สิทธิเนี่ยโดยไม่เคารพเป็นกฎหมายครับสิทธิมนุษย์ไม่ได้กว้างอะไรเดินเหยียบเท้าเพื่อนบางคนละเมิดสิทธิคนอื่นแล้วเดินกระแทกคนนิดเดียวก็ละเมิดคนอื่นแล้วส่งเสียงดังคนอื่นก็จะนอนเนี่ยบางคนละเมิดสิทธิแล้วสิทธิไม่ได้มากหมายขนาดนั้นหรอก ก็พูดยากสังคมไทยทําอะไรได้ตามใจคือไทยแท้ครับผมพูดยากก็เป็นเรื่องเป็นใจครับสายที่เจ็ดตลอดอยู่ครับสวัสดีครับรายการครับสวัสดีครับสวัสดีครับรายการครับเชิญสอดคล้ได้เลยครับครับฟังเธอไปหน่อยนะครับโทรศัพท์เข้ามาใหม่นะครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งห้าศูนย์สองสองสี่หนึ่งสมสามหนึ่งห้านะครับครับผมัครับ ครับครับเรารับทุกสายเพื่อสอบถามปัญหาธรรมะเข้ามาในในในรายการนะครับขออนุญาตแจ้งประชาพันธ์กับแฟนรายการหน่อยนะครับสำหรับแฟนรายการที่ต้องการเทศธรรมะซีดีธรรมะนะครับตอนนี้เราแจกอยู่2ชุดด้วยกันนะครับชุดแรกนะครับเป็นเทศธรรมะชุดกรรม12นะครับซึ่งเป็นเทสธรรมะซึ่งบรรยายธรรมโดยท่านกิติพุทโธนะครับบรรยายในงานพระราชทานเผงศพของท่านคุณแม่ของท่านพลเอกเสรีพุทธคำานะครับซึ่งเป็นเทศธรรมะที่แฟนรายการขอมามากตอนนี้เราเหลืออีกประมาณสักร้อยกว่าชุดนะครับอันที่2เลยคือ เป็นซีดีธรรมะเป็นบทสวดมหาราชปริศนะครับซึ่งเป็นบทสวดอย่างเดียวเลยทั้งนั้นนะก็แฟนรายการหลายท่านอยากจะไปรับฟังนะครับก่อนนอนหรือว่าไปรับฟังเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตก็ขอมาได้นะครับจดหมายมาได้ที่รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับ6กสิเอ็ปรลนโยธินจตุจักรกรุงเทพหนึ่งศน้าศูนนย์นะครับท่านปณิสตรีภูเขามจะจัดส่งเป็นธรรมบรญญัการแด่ท่านแฟนรายการทุกท่านนะครับโดยไม่คิดโบนัค่าอะไรนะครับสายสทรศัพเข้ามาเลยนะครับสายเจ็ครับสวัสดีครับแฟนรายการ ดีครับครับผมสอบถามได้เลยครับตอบนักมาสการท่านพระเชดีหลกครับผมพรเชดีหลกค่ะครับเ ท, ที่ที่ท่านพูดมาเนี่ยเป็นจริงทุกอย่างเลยค่ะครับผมคือ ก, การละเมิดสิทธิ์นี่มันก็อย่างที่ท่านบอกอ่ะแค่เราส่งเศียลดังคนเองเขาก็นั่นก็เป็นละเมิดแล้วใช่ไหมคะอืมทีนี่คืออยากให้ท่านอธิบายเรื่องศีลให้คนเข้าใจหน่อยนะค่ะครับ ศีลถ้าเผื่อมันคนเข้าใจเรื่องศีลเมื่อมันถ้าตัวเองไม่รักษาศีลไว้เนี่ยมันเท่ากับว่าไม่รักษาความเป็นมนุษย์ไว้ใช่ไหมคะก็ครับผมครับกลับรับฟังทางวิทยุนะครับครับขอบพระคุณมากเลยครับคือว่าแต่ศีลนี่ไม่ต้องเอามากเลยโยมเอาข้อห้าข้อเนี้แล้วก็สี่ข้อแรกเนี่ยเอาให้ได้สี่ข้อแรกก็ได้ยินว่าศีลสี่ข้อแรกในข้อที่หนึ่งเนี่ยมุ่งให้อยู่ร่วมกันโดยเมตตาครับ สิ่ข้อที่สองนี่ให้เคารพสิทธิในทรัพย์สินของกันรายการแล้วก็ไม่ร่วงละเมิดกันสิ่งข้อที่สามก็ให้เคารพสิทธิในคู่ครองของการรายการสิทธิข้อที่สามก็ให้เคารพสิทธิในการสื่อสารคือการสื่อสารคนอื่นเนี่ยเราต้องสุจริตต่อวาจาที่เราพูดออกไปมันไม่ใช่ว่านึกกระบายอารมณ์อะไรก็ออกไปแล้วก็คนฟังเขาไม่ได้รับประโยชน์อะไร มันศีลจีนศีลที่จริงมาอย่างติดใจคำว่าจริยธรรมรเรนี้เรียกร้องเรื่องจริยธรรมกันเยอะ ค, อคือคือยังไม่เข้าใจบาคนเหล่านี้รู้จักจริยธรรมขนาดไหน จริยธรรมนั้นไปลงโทษคนไม่ได้ต้องจับประเด็นในได้ว่าจริยธรรมลงโทษใครไม่ได้เพราะจริยธรรมคือโกฎของกรรมอย่างเนี้ยอย่างที่ท่านกิติปาสสกขาเนี่ยไปดูดิครับหมายความว่าเช่นเราเกิด ค, ความโกรธขึ้นมาแล้วก็ทําอะไรไปตามอนาจของความโกรธถ้ายังไม่ไปละเมิดสิทธิใครเนี่ยมันก็ผิดจริยธรรมแต่ก็เป็นบาปกรรมอะกิเลสก็เผารุนใจแก่ก็เลาร้อนเองแก จะมาใจแกคุณมัวเศร้าหมองไปเองแล้วก็สมมุติว่าใจมัเกิดคุณก่อนตายแกก็ตกนรกเองใช่ไหมคือมันเรื่องกรรมจริยธรรมมันลงโทษไม่ได้แต่ว่าเวลาลงโทษนั้นคือมันล้าเส้นจริยธรรมออกไปเช่นสมมุติว่าขับรถชนต้นไม้เนี่ยมันก็ขาดสติคือขาดจริยธรรมก็ไม่ติดคุกหรอกแต่ว่ารถนั่นจะพงังหวัวมันจะแตกขาผมจะหัก แต่ถ้าไปชนคนตายนี่มันผิดกฎหมายในกรณีที่ขับรถชนคนตายเห็นไหมมันไม่ใช่ผิดที่จริยธรรมจริยธรรมนี่มันเป็นบาปถูกสารตัดสินไปแล้วสมมติว่าสารตัดสินยี่สิบปีอย่างเงี้ยไอบาปที่ทําให้คนตายให้นกลุ่มก็ยังอยู่กับคุณนั่นแหละนั้นคือจริยธรรมมันมันมันเป็นกรรมเฉพาะคนคนนั้นแล้วไม่มีใครไปไปลดอะไรเขาได้เ ป, เ, ปเป็นเป็นเป็นเงื่อยไขเป็นแง่้มุมของหนึ่งคือกำหนดธรรมดียมประเพณีสองคือกฎหมาย สามคือศีลสีส่คือจริยธรรมพวกนี้ศีลเนี่ยใครใครใครผิดคนนั้นก็รับโทษเองกฎหมายเนี่ยมันมันมันเป็นกติกาทางสังคมซึ่งหมายความว่าต้องมีองค์กรของรัฐคือศาลสูงสุดเป็นคนตัดสินจริยประเพณีเป็ น, เ ป, นเป็นระบบความเชื่อซึ่งเราต้องยอมรับข่าวแต่ว่าจริยธรรมมันไม่ใช่จริยธรรมมันเป็นกฎ ข, ของกรรม oh. นะต้องจับประเด็นได้ว่าเราเราไปไปลงโทษคนอื่นในเงีย้ยในเงี้ยจริยธรรมไม่ได้เราไม่นับถือนะได้ แต่เราไปลงโทษเขาไปตัดสินเขานี่มันไม่ได้บอกคุณคนนี้ไม่มีเจตธรรเราเราไม่น่าทื่อเราก็มีสิทธ<ส>ิ์ของเราใช่ไหมแต่ลงโทษไม่ได้ใช่แต่แต่เราไม่มีสิทธิ์จะลงโทษได้ครับขอบเุญท่านปริจาคสายที่แปดครับสวัสดีครับครับผมผมจะเรียนถามหลวงพ่อทัพของหล <c ười> ัต้อนครับคือข้อที่หนึ่งเนี่ยผมฟังเพจของพระอาจารย์จิตตุ แต่ที่าิพุทโธฮก็เลยเข้าใจว่าระหว่างรูปกัมนามเนี่ยนะครับนามเนี่ยมันเป็นลักษณะรู้เป็นอาการรู้เป็นธาตรู้นะฮะมันไม่มีตัทนไม่มีรูปร่างท่านี้คําว่าวิญญาณมันไปเกิดเนี่ยเอาวิญญาณตัวไหนไปเกิดเพราะมันมันไม่ใช่รูปมันเป็นนามข้อที่หนึ่งนะครับแล้วข้อที่สองผมก็เอคําว่าปีศาจเนี่ยฮะปีศาจผีอะไรแนี้มันก็ คงจะเป็นคนละอย่างกับคําว่าวิญญาณนะครผมเข้าใจแบบนี้ไต่ศาสตร์ศุภศาตรแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือว่าผมอ่านคาแปลของพระคาถาจีนบัญชรนะฮะมันคล้ายๆว่าไปอัญเชิญไปไปคล้ายว่าพระพุทธเจ้ายังมีตัวตนอยู่นะครับยังพันนิพพานไปแล้วใครๆก็ยังมีรูปบู่แล้วก็เชิญมาประดิษฐา น, นที่กำมืออะไรนี่ฮะครั บ, ร บ, รบมันมันไม่ใช่พระเจ้านิพพานไปแล้วก็ไม่มีแล้วน้ําก็ดับรูปก็ดับครับ เพราาแค่นี้ครับเขาถามสามข้อะไรเขาไม่ได้ก็คือรูปนามคือคือคือคือเราต้องนึกว่าอะไรไปแต่สมมุติเรานึกถึงไปอเมริกาเนี่ยถามอะไรไปอ่ะเห็นเมื่อนามไปไม่จะรูปไปมันมันก็ไปอยู่งั้นแหละสิ่งที่ไปเกิดนั้นก็คือกิเลสคือกรรมแล้วก็สร้างขึ้นเป็นปิสสธิบิญญาณมันก็ไปเกิดโดยพลังกับเครื่อนี่คือกรรมซึ่งมันก็เป็นนามด้วยกันทั้งนั้นแหละถึงถึงถึงมันไปได้ไงถ้าถ้าเป็นรูปมันต้องขึ้นเครื่องบินไปครับ งั้นมั น, ม, นมันก็ถูกแล้ว่นะที่ก็อธิบายเนี่ยก็โลกก็มีแต่รูปก้อนา้ำใช่ไหขันห้าอย่างเงี้ยเวทนาสัญญาต่างขาันวิญญาณก็เป็นนามรูปก็เป็นรูปเห็นไหมก็รูปเวทนาสัญญาต่างขาันอย่างก็ก็สุดแล้วก็คือรูปนามโลกทั้งปวงเนี่ยสายก้และจกกักรวาลทั้งปวงเนี่เป็นรูปน้ำทั้งหมดนั่นแห ล, ละอะไรอีกนี่เออปีศาจกับวิญญาณอ๋อปีศาจปีศาจมันเป็นชีวิตอีกมิติหนึ่งนะอาจจะเป็นอสุรกายก็ได้อาจจะเป็นเปรตก็ได้อาจจะเป็นเทวดาชั้นต่ำก็ได้ครับ เราเรียกรวมรวมมาไปเรียกว่าปีศาจเป็นชีวิตนะฮะเป็นชีวิตที่เกิดโดยโอปปปาติกะกําเนิดบางก็มีน ะ, ะแล้วเกิดในคันก็มีท <c oughs> ีนี้วิญญาณที่ว่าเนี่ยวิญญาณที่ว่าก็คือธาตุรู้หรือว่าการรับรู้อารมณ์ที่ผ่านมาทางตาหูจมูกนิ้วกายใจาจะขู่วิญญาณทุตวิญญาณเนี่ยนะฮะ <c oughs> ก, ก็วิญญาณต้องพูดกันนะชาติเาหมายถึงวิญญาณในรูญญาณมันเยอะ <c oughs> วิญญาณมันเยอะ <c oughs> แต่ว่าสรุปว่าในตัวปีศาจเองก็มีวิญญาณถ้าไม่มีวิญญาณแกก็ไม่เป็นปีศาจใช่ไหมคนเราก็เหมือนกันแหละถ้าเราไม่มีวิญญาณเราก็ไม่เป็นคนเราก็เป็นศพเห็นไหมฮะวิญญาณก็ต้องมีอก็ต้องมีอย่้ะอะไรนะการเชิญพระเจ้ามาอ๋ออันนั้นเป็นเรื่องของความเคารพนับถือศรัทธามันไม่ได้เชิญองค์หรอกใครไม่ได้คิดว่าเชิญองค์มาแต่เขาคิดถึงพระคุณน่ะพระคุณพุทธานุภาพอ่ะอนุภาพของพระพุทธเจ้า ที่เรากล่าวถึงให้ให้มาคุ้มครองรักษาเราธํานอง น, นั้นและเ ป, เป็นเป็นเป็นระบบความเชื่อในแนวเ อ, อติดติดไปทั้งทั้งวงสวงอ้อนวอนน่ยมายังไม่เคยท่องอันะหที่ดุจวัตร <laughs> คือคือเอามาถ้าทําให้ตัวหลักจริงจริงเนี่ยไม่เอา <c oughs> ค, คือคือไม่ไม่ค่อยสนใจเพ <c oughs> ราะเรานึกว่าในในพระเจ้าปิฎกเราก็เอาไม่เอยไหวแล้ว <c oughs> แต่ว่ามันก็ไม่อยากยุ่งอะไรที่รุงรังมากมากเพราะฉะนั้นจะท่องก็ท่องที่ว่าเป็นพุทธพจน์ละ เป็นตัวหลักๆอิติปิโสสวัสดตโตสุปฏิบินโนเนี่ยไหวได้เถอะไหว<ช>ได้หังสมาธมุทโภพกวาเพราะงั้นคือคือความเชือ่ออย่างเนี้ยมันเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็ที่จริงถ้าถามว่ามีที่ไปที่มาไ้ยมันก็มีที่ไปที่มามันมาจากพระชักกสูตรแต่พระกสูตรที่ว่าโดยยอดแห่งธงเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกเวลาเกิดความหวั่นกลัวอะไรขึ้นมาก็ให้ระลึกถึงพระพุทธคุณมธรรมงคลมาสังเกตครับุณมันก็เป็นขวัญเป็นกำลังใจอ่ะก็ทําไปเถอะ แต่ไมเถอะแต่อย่าไปคิดว่าทำเสด็จมาเป็นองค์นั้นก็เกินไปครับขอบคุณที่เป็นใจกับสายที่9้าครับสวัสดีครับแฟนรการครับการมัดกาตัครัน สวัสดีครับท่าน้จัรายการครับครับสวัสดีครับฮัลโหลผมคิดว่านะฮะไอไอสิบปไอทีวีเนี่ยมันทาลายพระทลายวัดมากเลยนะผมอยากากฝากรายการนีนะฮะสภาพรมันคงแชาติรือว่าสัติาลอยากแมาดูเรื่องนี้นะครับเพราะมันเป็นการทาลายกันโดยตลงเลยคือการทำลายที่ที่ดีสุดการทาลายศรัทธาที่มีต่อศาสนาครับถ้าผมไม่มีศรัทธาศาสนาอยู่ไม่ได้หรอกครับกับรับลถูกต้องฮะถูกต้องจริงเลยอามาย่าึกว่าโทรทัศน์เนี่ยมันทีวีเสรีเนี่ย แล้วก็ทําไมรัฐไม่ดูว่ามันเสรีมากเกินไปมันเสรีมากเกินไปแล้วข้อมูลแต่และข้อมูลที่มาพยายามดูนะพยายามตามไอ้ร้อนยอยะอะไรถอดรหัสเนี่ยเราก็พยายามดูถ้าเรามีเวลาเราก็เห็นว่ามันมันก็เป็นความคิดของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองก็เรียกว่าคือลักษณะลักษณะเด่นของมนุษย์เนี่ยจับจับอย่างหนึ่งบ่าคนพาลมีการเพ่งทอดคนอื่นเป็นลักษณะ มันด่าได้ทั้งนั้นเพ่งโทษใช่นะบัณฑิตมีการเพ่งโทษตัวเองในลักษณะคนพานจะมองออกข้างนอกบัณฑิตจะมองกลับข้างในแล้วมาแก้ไขตัวเองครับก็วิเคราะห์ตัวเองว่าการว่าสื่อไหนที่เป็นพานสื่อไหนที่เป็นเป็นบัณฑิตอ่ะบัณฑิตเขามาก็ตรวจสอบตัวเราเองเราเราตรวจสอบแล้วเราแก้ไขได้แต่ว่ามันก็เหมือนกับเนี่ยเหมือนเหมือนกับคนที่แต่งเนื้อแต่งตัวตัวเองเนี่ยก็เพื่อให้ถูกต้องเหมาะสมครับ มันไม่ทําด้วยความโลภแต่ว่าทําให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามแต่ว่าคนที่ไปตรวจสอบคนอื่นไปแต่งปากแ ต, แ, ต <c oughs> แต่งยิ้วแต่งก็ดินโลภอย่างนั้นไงใช่ใช่ไอ<ง>้นี่ฮะมันเป็นธุรกิจอะธุรกิจก็ไม่รู้หาเรื่องแต่งไปเรื่อยเลยแค่กี่หูมั่งอะไรต่อะไรคิดตังเอาไปก็ทําด้วยความโลภครับผมแต่วันดีก็คนก็หลอกง่ายด้วยกันเลยก็ได้สบาย <c oughs> ครับ <c oughs> นี่ค่ะขคุณที่สนใจก๊อฟสายที่สิบครับ เสนอใหเข้าไปในกันครับสวัสดีครับเมื่อกี้คุณจะลงเสนอโจมตีร่างนะฮะผมมีความเห็นอย่างนี้นะครับคือเอานังสือผิมพก่อนนะครับครั้งแรกคนที่เคยอ่านนังสือพิมที่ท่าจ้คุณออกชื่อนี่นะฮะผมรู้จางดีกับคนนี้ครับเขาเคยเรียนอยู่ที่หาดใหญ่โรงเรียนใหญ่โตนะเป็นมีชื่อที่หาดใหญ่นะครับแล้วคนคนพวกคนคนนี้นะฮะตอนหลังนี่ครูบาอาจารย์นี่ถ้าถามว่าชื่อคนนั้นเคยสอนไมมาเจอร์คนท่านเคยสอนเขาไหมเขาบอกเขาไม่แน่ใจครับอะอย่างนี้เลยนะฮะอ๋อครับเสร็จแล้วตอนตอนหลังเนี่ยเขาก็เลยมา มามามาทําอะไรล่ะทำหนังสือปิดครับครับสมัยก่อนที่ทําเดเวอเรชั่นกับคุณทำนูลมหาปริญญขออนุญาตจดใส่ชื่อนะครับคุณทำนนั้นไม่กันเสียไปแล้วครับครับครับแล้วคนนี้ก็เข้าครอบครองคครรัับบเสร็จแล้วตอนนี้ก็มาเปิดขายพระครับคือหน้าหน้าพระเอาเอาคนที่บริหารพระเครื่องเก่าเนี่ยมาครับฮะเสร็จแล้วผมก็เข้าใจว่าเขาขายพระแล้วเขาจะปกป้องพระได้อย่างไร อ๋อสายประเดนครับผมตอนนี้มีมีประเด็นอะไรสอบถามบ้างไหมครับอันอปกติ2เกี่ยวกับเรื่องไอไอไอสื่อเดี๋ยวเราต้องพูดถึงสื่อก่อนนะครับครับเกี่ยวกับเรื่องไอพวีนะครับครับเขาขาขออนุญาตนิดนึงนะครับพอดีเดี๋ยวไป9้าวล้สถานีเขาม้างหน่ยนคว่าอย่างนี้นะครับครับผมถ้าเราไปมองถึงคนที่บรยหารหรือว่าทางานในทนทีวีนี่หรือว่าทีวีโดยทั่วไปเนี่ยเป็นคนหนุ่มคนสาวครับแล้วพวกนี้เนี่ยมันเละฮะอุตยตรงไปตรงมาถ้าท่านมองให้ลึกนะ มันจะไม่มีศีลธรรมในเรื่องการเมเลยเ okay. อ, อ, ออแค่นั้ขอขอขอยานิดหนึ่งได้หมครับเอาเอาเป็นประเด็นชัดชัดนิดหนึ่งนะครับพอดีผมไม่อยากไปล้วงเกินเขาเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีปัญหาเกิดเึงกไม่มีครับเพราะนนี้เราพูดถึงถึงถึงอะโดยเพราะฉะ น, นเมื่อเมืจิตใจเขาไม่เรื่มใสพูดให้เป็นสุนขัขหางวดเอาเขาต้งพยายามที่ทาให้คนที่มีศีลธรรมเนี่ยเสื่อมครับ งั้นขอขอขอบคุณมากเลยนะครับโอ้ครับขอให้ฟังที่ว่าเราอยากได้ครับได้ครับอภัยเขาเถอะนะอภัยเขาเถอะเพราะคนพวกนี้จิตใจเขาตกต่ำมากขอบคุณมากนะครับครับยอมเ็ต้องอภัยเขาด้วยนะก็คือคือเราต้องยอมรับนะฮะคือว่าคนเหล่านี้เขาจะมองในแง่ว่าอะไรน่าสนใจ คือคือประเด็นการนําเสนอสินค้าเนี่ยเ้ามองในแง่สินค้าสินค้าก็จะมองว่าทำยังไงอะไรที่ผู้บริโภคสนใจก็จะใช้วิธีการอย่างนั้นเขาไม่ได้คิดถึงผลกระทบคนอื่นหรอกคือคือว่ากระตังกระจงแม้แต่สิทธิที่อ้างเป็นฐานันดรที่สี่เนี่ยที่จริงเขาพูดประชดเป็นคําพูดประชดที่ฝรั่งเศสใช่ไหมฮะหงั่มพูดประชดเฉยเฉยอ่าแล้วก็คือเราจะคือในแง่ความจริงเราต้องนึกว่าพวกนี้คืออาชีพชนิดหนึ่ง เป็นอาชีพชนิดหนึ่งเหมือนกับอาชีพทั้งหลายนั่นแหละมันไม่ได้เป็นปรมาจารย์อะไรหรอกก็เป็นคนประกอบอาชีพอย่างหนึ่งคือเราโย่ยให้ความสำคัญอมาอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยมาเชื่อสามสิเอร์ซ็นก็บุญแล้ว <laughs> ก็เปิดเปิดเนี่ยบางบางทีไม่ได้อ่านเลยนะฮะมันไม่มีค่าควรที่จะอ่าน <laughs> เราก็มีพรายมิโดกอ่านอยู่ดีกว่าสวาสดีเกาเก่าคุณท่านวูเป็นใจครับสายที่เสร็จครับสวัสดีครับรายการครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการและกลาบน้ำบรรจการพระจายประเทศไปชมกันครับครับผมเลื่อนจมเลืครับสองข้อนะครับครับผมที่เขาบอกว่าเกิดดับเกิดดับนะครับ ไอ้ที่เกิดแล้วไม่ดับน่ะมีอะไรบ้างครับเกิดแล้วไม่ดับมีอะไรบ้างนะครับครับแล้วข้อที่สองนะครับครับผมก็รูกกน้มนี่ใครเกิดก่อนใครครับขอสองข้อพอแล้วครับครับผมขอบคุณพระอาจารย์แล้วขอคุณคุณคุณเลิศมากนะครับครับผมเกิดแล้วไม่ดับมีอะ้ามันเกิดแล้วไม่ดับมันไม่มีหลอกครับผมนะแต่ว่าอนิพพานเองเวลาที่บายจริงๆในเราอ่านต้บายว่ามีการเกิดไม่ได้มันเป็นภาษาสื่อสารไม่ได้ แต่ว่าจะพูดถึงว่านิพานเกิดอย่างเงี้ยมันก็แสดงว่ามีตัวตนให้เกิดเกณฑ์นิพานมันไม่มีตัวตนไปแล้วครก็อะไรนะรูปกับนามอ๋อรูปกนามนามเกิดก่อนดินามเกิดก่อนนะครับนามเกิดก่อนอวิชาอวิชาสังขารเก้าวิญญาณแล้วก็กลายเป็นนามารูปไงปฏิจจสมบัติก็กับมาต่อมากับสายที่สิบเอ็ดเรารออยู่ครับเมื่อเรื่องปรุงอาหารเนี่ยเห็นว่าเจตนาจะปรุงอาหารเกิดก่อนถามสวัสดีก็ไม่ด้กานครับ ผูรครบับสวัสดีครับผมผเรกันตั้นะครับครับผมอยากจะขอร้องว่าพอที่เอาพระเ พ, พูแปลอะไรเนี่ยขอให้เายุดพดูดีนะครับครับผมอผ ม, มันพระที่ดีสงสารพระที่ดีคร <laughs> ับผมบที่ดี เ, อเยอะใช่ใครับพระที่ดีก็อันนี้ผมผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมเอาพระที่ดี เป็นพระที่ดีเดยอะครับ <c oughs> นนขอเขาหยุดหยุดที่เป็นพระทนะครับเานั้นนั้นเดี๋ยวทั้งที่คนที่ถามเรื่องพระ ก, ก็ผมไม่อยากให้ตอบอะไรเลยล <c oughs> ได้ครับได้ครับ ข, ขอบคุณมากนะครับ <c oughs> ครับไม่ใช่มันเป็นธรรมชาติมนุษย์ธรรมชาติมนุษย์คนที่ตกนรกเนี่ยด่าว่าสํานักจีพรามณเนี่ยปุเพนวสานตยานคุยจ้าจตุปาตยานนะนะนิเทศแห่งจตุปาตยานจะมีทุกแห่งที่เกิดคนตกนรกก็ด่าสมราจีพราหมณถามว่าทําไม คือมนุษย์เนี่ยมันมันชอบเบียดเบียนโดยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยคือชอบเบียดเบียนคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันก็กลัวตัวเองถูกเบียดเบียนคแต่ทํายังไงจะรังแกคนกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่มีโอกาสเบียดเบียนก็คือด่าพระนี่ดีที่สุดเพราะนั่งตั้งแต่โบราณมาเลยครับเพราะปเจกับพุทธเจ้ายังถูกนักเรียนดีดกรวดดีดโอเปเรบอร์ดเลยเพราะแกเห็นว่าพระเนี่ยไม่มีเจ้าของ ไอ้เนี่นี่คนนี้ก็มีเจ้าของงูก็มีเจ้าของโคก็มีเจ้าของไอ้คนนี้ก็มีพ่อมีแม่มีญาติเออพระไม่มีญาติพี่น้อง<ก>สามารถจะด่าได้เพราะฉะนั<ๆ>้นสังคมไทยจึงมีนิทานตาเถรใหญ่ชีครับเต็มไปบ้านเมืองหมดเวลาแกนั่งหรือเล่ากันนี่แกไม่มีเรื่องอื่นแกแกไปพูดเรื่องทพระโบราณเนี่ยธรรมชาติมนุษย์พวกนี้เขาก็ ก, ก็ปล่อยเข้าไปนะฮะปล่อยก็ไปก็เราเราไปหยุดเขาไม่ได้หรอก เราไม่มีโอกาสติดต่อกับคนเหล่านี้เขาไม่ฟังรายการธรรมะหรอกเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้มันเป็นปัญหาถาวรในหมู่มนุษย์ <c oughs> ที่สัตว์โลกมนุษย์มีริษยากับวิหิงสาโดยธรรมชาติเขามันเป็นสัญยาตยานดิบอะไรก็ไม่รู้เลยฉันเบียดเบียนได้เห็นไหมนักเลงใหญ่ต้องการจะซ้อมคนอื่นให้ลูกน้องจับมือไายหลังเด้๋ยก่อนเห็นนะมนั่นคือธรรมชาติว่านักเลงใหญ่เนี่ยมันมันคล้ายๆกันนักเลงต่อสู้มากแต่จริงมันกลัว เพื่อนจะมือจะก่อนย้ายรุดนะย้ายรุดนะแล้วค่อยซ้อมแล้วค่อยซ้อมทีหลังเองแม่ธรรมชาติธรรมชาติของสัตว์โลกก็เป็นอย่างนั้นเองเราเราเราเราต้องยอมรับความจริงนี่คือธรรมชาติของสัตว์โลกที่ชอบเบียดเบียนสัตว์อื่นโดยแน่ใจว่าเขาไม่สามารถที่จะโต้ตอบได้ครับคุณท่นเจ้าบุญญาจากข่าวสารที่สิบสองครับสวัสดีครับแฟนรากันครับครับสวัสดีครับหลวงพ่อครับพ่จะถามหลวงพ่อว่าที่หงพ่อว่า อย่างพวกข่าวคมชัดลึกลววาาเรื่องไอทีเนี่ยนะครับผมว่าเหมือนกับฝ่ายค้านกรัฐบาลเนะ่ะเป็นตุกทำให้พระที่ดีๆท่านก็ดีอยู่แล้วครับครงไหนที่จะประพฤกษไม่ดีก็พอมาฟังข่าวไม่เห็นข่าวก็ไม่ได้ปเดี๋ยวเราจะไปลงข่าวมาครับส่วนดีเขาก็มีนะครั บ, บไม่มีทางไม่มีทางหรอกรข่าวประเด็นเด็คนพราเร็วก็ไม่มีทางปรับตัวได้เลยโยมแล้ ว, แล ว, วอย่างหลวงพ่อว่า พระที่ไปไปลกลายเป็นที่ไปตรวจสอบก็ทงพ่อว่าเป็นพระปลอมหมดไม่ไม่ใช่คือคือส่วนใหญ่เน่ยจะเป็นอย่างนั้นโยมโยมโยนต้องรู้สถานการณ์ศาสนาเวลานี้นะฮะคือว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเรารู้อาเภอเลยทั้งไปไปเนี่ยนะมีเป็นมาไปเป็นร้อยๆเลยนะพอเสร็จหน้านาเ น, นี่ยโกนหัวที่บ้านเนี่ยมีจีวรเลย มีบางที่ครับใกล้จะเจอคือคือปัญหาที่มันมันเครียกว่าตัดไม่ตายขายไม่ขาดมันเป็นผิดผลจากสังคมหมายความมาบ้านเมืองพอสังคมมีปัญหาแล้วเนี่ยมันกระทบหมดแหละเช่นว่ามีปัญหาทางเศรษฐกิจมันก็กระทบศาสนากระทบการเมืองกระทบสังคมกระทบการศึกษามันกระทบหมดอหละนั่นเราเราเราต้องยอนรับปรากฏตรงนี้มันมีมันตั้งแต่ก่อนพุทธกาลแหละนะครับ ก็ไม่ได้ไม่มีอะไรครับครับมีมีปัญหาอะไรจะฝากไปครับก็ไม่มีแล้วก็อยากยาจะถามอยากจะถามถึงพระยันตาวัตตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนนะกอครับผมครับแล้วพอจะพินนะครับครับก็อเมริกาเขาไปใช้นะให้อบรมทหารกับตำรวจข่าว่าตอนนี้ไปอบรมตั้งสามสิบเจ็ดมูลนิธิมีเป็นกบวนนะฮะรัฐบาลก็ให้ยานพาณิชให้คนอะไรต่างๆช่วยอบรมนักโทษให้เก่ากับท่านครับก็ เมื่อก่อนเขาเขาคล้ายๆกับเป็นอะไรอ่ะเขายี่สิบมลนรัฐพอเห็นเขาได้ผลแล้ก็เพิ่มตอนนี้ก็ไปที่สามสิบเจดมลนรัตนะครับก็ดีฮะเป็นเป็นประโยชน์การทำทำประโยชน์มีผู้ต่างประเทศเอหันมาสนใจพุทธศาสนาบ้างใช่ฮะแต่คนไทยเราขับไม่ทเปิดเปิดสายไปอีกเรื่องหนึ่งเลยครับผมรับฟังทางวทยุครับผมต่อไปครับสวัสดีครับรายการครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณและผู้จัดรายการขาคอัอ ผมก็จกพูดเรื่องสื่อนะครับครับลบลบทวนนิดนึงได้ไหมครับพอดีพอดีเมื่อวันนี้เราพูดเล่าสื่อเยอะแล้ว ล, วลวองเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมถามเรื่องธรรมะครับดีดีครับดีครับธรรมะข้อเดียวแล้วจะฟังงานวิทยุนะครับขอบคุณมากเลยครับ อือผมจะพูดไอ้ข้อทำไอ้เรื่องาราซิคนะาราิคนะครับครับิครับผมครับผมเพราะบาราิคนี่ทานวิญญาขาดจากความเป็นสงนี่ไม่ไม่ขาดจากอารมณ์ธรรมไม่ขาดจากนิพพานใช่หครับเดี๋ยวจะฟังทางวิทยุนะโอ้ขอบขอบขอบขอบคุณมากเลยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับต้องต้องต้องซืก่อน ต้องศึกต้องศึกไปก่อนแต่ถ้าบําเพ็ญเพียรไปเนียไ อ, ไอบ้บรรลุมรรคผลเนี่ยไม่เคยมีตัวอย่างบรรลุอรหัตเนี่ยไม่เคยมีตัวอย่างแต่ว่าลงมานี่มีนะฮะในอัตถิถาอักขิคันโุปมสูตรนี่ก็มีอมคือประราชิกมันท่านแพ้ใจตัวท่านเองเราจะเห็นว่า ม, มันมันมันเป็นเรื่องบาปกรรมอย่างเนี้ยจริยธรรมเนี่ยนจะมาให้เป็นบาปกรรมส่วนตัวของท่านทีนี้เมื่อท่านศึกจากพระแล้วเนี่ย มันมันสีนั้นมันก็หมดหมดข้อปูกพันทวนบาปสมัยนั้นมันก็ยังอยู่นะฮะบาปสมัยนั้นยังอยู่ติทีนี้เป็นปัญหาว่าจิตใจของท่านเป็นยังไงเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าถ้าถามว่าบวชเ้าบอกว่าอยู่ในภูมิสา ม, นมสันเนี่ยแต่กถาขคิกันโตมัสูญเนี่ยพระเจ้าเทศ เรื่องกองไฟที่เผาล่นต่างๆแล้วก็พระบางพวกนี้กระอักโลหิตสดๆออกมาเลย oh. แล้วก็สึกบางพวกก็ลดเพศเป็นธรรมเนจนะฮะ บ, บางพวกก็เป็นอุบาสกเขาก็สามารถที่จะทำปฏิบัติธรรมะได้แต่ว่าบารรลุมรรคผลเป็นพระหรันยังยังไม่ยังไม่พบตัวอย่าง ขอบคุณท่านผู้ชมแต่ครับขออนุญาตนะครับวันนี้รายการเสียงท่าจังหวาบไร่สิบปุุมนะครับเวลาเดินผ่านไปเร็วมากเลยครับขอกล่าวขอบระทานอภัยหลายๆสายนะครับที่สอบถามปัญหาธรรมะเข้ามาแล้วไม่สามารถตอบได้นะครับเพราะเวลาหมดอย่างจริงๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการชาวผู้ใหายๆท่านนะครับที่เป็นห่วงพระศาสนาแล้วก็สอบถามปัญหาธรรมะมาอย่างไม่ไม่ได้ขาดสายเลยนะครับถ้ายังไงแแต่จุดหมายมามาก็ได้นะครับสอบถามปัญหามาเราก็จะนําปัญหาของท่านมาตอนในรายการนะครับวันนี้ขอความเจริญในทางมีแด่ท่านผู้รับฟังรายการเสียงท้าจักหวาบไร่สิบ